ข่าบทที่4ว่าด้วยภิกษุณีมีพันษาต่ำกว่า12เป็นประวัตินีเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,136 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่นพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายมีพันษาต่ำกว่า12บวชให้กุลธิดา พวกเธอเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรแม้พวกสัตว์ที่วิหารีก็เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโคลนทนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีมีภาษาต่ตำกว่า12บสองจึงบวชให้คุรธิดาเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้